ผลที่ปรากฏในชีวิตจริงหรือผลในทางปฏิบัติของผู้บรรลุนิพพานขอ้ขอข้อความเป็นเจ้าแห่งจิตเป็นนายของความคิดในวัสการสูตรอังกุตรรนิกายจากตกการนิบาทเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวนณารามในเขตพระนครราชครึกวสการพรามมหาอมาตยแห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าครั้นแล้ว พราหมใหญ่นั้นทูลว่าตามหลักของพวกเขาถือว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ต้องประกอบด้วยทำสี่อย่างได้แก่หนึ่งเป็นพหูสูตรรอบรู้เรื่องราวข่าวสารยังรู้อัตตะแยกแยะได้ว่าเป็นความหมายของอันไหนอันไหนสองเป็นผู้มีสติ ทรงจำรำลึกการที่ทำคำที่กล่าวแล้วแม้นานได้3เป็นผู้มีทักษะไม่ปล่อยปละเกียจคร้านในกิจกรณีที่เป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองและ 4. เป็นผู้มีปัญญาไตรตรองรู้จักหาวิธีดำเนินการสามารถทำสามารถจัดการให้เป็นไปเมื่อแสดงหลักของเขาแล้ววัชการพราหมณ์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า หลักที่เขากล่าวมานั้นพระองค์จะทรงเห็นชอบด้วยหรือจะทรงขัดขานพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นชอบและก็ม่ได้ขัดขานแต่พระองค์ทรงวางหลักว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณสมบัติสประการที่นํามาเน้นเพื่อให้เข้ากับเรื่องความเป็นเจ้าแห่งจิตเป็นนายของความคิดของผู้บรรลุนิพพาน ค um ือข <pod cast> ้อ2ความว่า hm. บุคคลผู้เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่นั้นประสงค์จะตรึกตรึกความคิดใดก็ตรึกตรึกความคิดนั้นไม่ประสงค์จะตรึกตรึกความคิดใดก็ไม่ตรึกตรึกความคิดนั้นประสงค์จะดําริข้อดําริใดก็ดําริข้อดํารินั้นไม่ประสงค์จะดําริข้อดําริใดก็ไม่ดําริข้อดํารินั้น ท่านเป็นเจโตวสีคือบรรลุภาวะมีอำนาจเหนือจิตในกระบวนความคิดทั้งหลายบาลีที่มานี้หมายถึงพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นมหาบุรุษแต่หลักฐานอื่นๆแสดงว่าคุณสมบัตินี้มีแก่พระขีณาสทั่วไป